ใหม่บินธบาดเป็นวันที่สองก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วขึ้นระดับหนึ่งวันที่สามที่สี่ก็คงจะคล่องแคล่วขึ้นได้เรื่อยบทใหม่ก็ธรรมดาภาษาอีสาวนาว่าอายุองยงายะพระบทใหม่คือไม่เรียบร้อยอายุอายะ ว, ว่างั้นแแมนวัตุข้าอืม หาความเรียบร้อยไม่ได้พกพระบทใหม่ภาษาอีสานว่าอายุอันเนี้ยพระบทใหม่เอนี่ยพองผลาดเขาไม่เรียบร้อยทําอะไรก็ไม่เรียบร้อ ย, อ ย, อยจับยังไงมันกม็มันก็ไม่อยู่บ่าเออไม่เหมือนพระเก่าพระเก่าเนี่เบียงปั๊บมันติดปั๊บอยู่เลยมันรู้จักจังหวะออย่างพระใหม่พลาดเข้าไปเข้าไปแล้วมัตะระุดเอาหลุดเอาหลุดเอาหลุดเอาเหามือนกับ อีวันไม่อยู่บ่าอย่างนั้นอะความชานาญใครความชำนาญเรานี่แหละท่านบอกว่าความรู้ความฉลาดเนี่ยไม่อยู่กับผู้ใดผู้หนึ่งคนหนึ่งเก่งทั้งหนึ่งแต่มันก็นโง่ทางหนึ่งเออถามวิธีการรักษาโรคเ่ยถามเลยสิงงงงงงงหนึ่เกกนง เ, เวลาถามรักษาโรคใช้ยาอะไรใช้ยาอะไรถามท่านรู้จักหมด กันเก่งกว่าเราถึงเยอะแยะแต่ปู่ ป, ป้ามาเอาให้ทําไม้กวาดด้วยสิเนะี่ยท่านทําไม่เป็นเหมือนกันสู้เราไม่ได้เนอะนี่ยแหละคือความฉลาดความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นวิชาทางโลกเนี่ยไม่ควรจะดูถูกกันสรุปแล้วก็คือไม่ควรจะดูถูกกันคนหนึ่งฉลาดทางหนึ่งคนหนึ่งฉลาดทางหนึ่ง อย่างท่านที่เป็นหมอนี่เหมือนกันท่านกเก่งทางฟันก็ไม่เก่งทางผ่าตัดทางเก่งทางเดินอาหารก็ไม่เก่งทางกระดูกหมอตาหมอทางเดินทางอาหารหมอผิวหนังหมอฟันจะให้เก่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ขนาดในร่างกายแท้ๆก็ยัง หาความเก่งชำนิชำนาญไม่ได้เก่งเฉพาะทางเพราะเรียนเฉพาะทางมาไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับวิศวะโครงสร้างวิศว ะ, ะทำเครื่องบินวิศวะทำรถยนต์อ อ, ออกแบบไม่ต้องพูดถึงใครรู้ของใครของเราเพียงแค่นั้น วันนั้นความรู้ความฉลาดความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสรุปแล้วเก่งทางหนึ่งแต่ไม่เก่งทางหนึ่งแต่วิชาทมอาหารอย่างเดียวเท่านั้นนก็ยังทําไม่ครบเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในโลกท่านจึงให้มีเมตตาต่อกันให้เห็นอกเห็นใจกันให้มีน้ําใจต่อกันนจึงว่าตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ให้มีเมตตาต่อกันให้คิดให้กว้างโลกใบนี้มันต้องอยู่ด้วยกันทั้งคนขับรถทั้งคนปัดกวาดทั้งหมอยาอทั้งก่อสร้างดูแลประเทศชาติทหารตำรวจครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามาคิดประมวลดูแล้วเพราะนั้น เราอย่าไปท่นองอวดตัวว่าข้าพเจ้าเป็นคนรู้เป็นคนฉลาดฉลาดแต่เฉพาะที่รู้เท่านั้นเองสิ่งที่เราไม่รู้นั้นมีมากออย่างที่ลุงพ่อได้พูดให้ฟังทุกๆคนนั่นย่างที่เราไม่รู้ยังมีมากที่เราจะต้องเรียนรู้อีกจะต้องมีมากเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราอย่าไปกาง เราจะไปกลางว่าข้าเนี่ฉลาดกว่ามนุษย์มนาทั้งหลายเอข้ากลางมากก็ยิ่งโง่ามากเขาก็ยิ่งเห็นความโง่ขงเขารมมากขึ้นอถ้านอ้อมพอน้อมถ่อมตนไว้เนี่ยดีสิ่งไหนที่รู้ก็บอกว่าเออข้าพเจ้ารู้ในเรื่องนี้อพอจะทําได้พอจะช่วยหมู่เพื่อนเพื่อนได้พอจะก่อสร้างได้พอจะสอนวิธีอย่างให้รับผู้รับทราบได้อแต่อย่างอื่นข้าพเจ้าเ อ, อ รู้มาอยู่แต่ว่าไม่ชำนาญพอเพราะวิชาทั้งโลกมีมากนะจะให้สยามภู ร, รู้แจ้งโรคทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ยังเคยพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปอยู่ในป่ากับพระสงฆ์ห้าร้อยโรคท่านก็ไปเอามือกวาดกวาดกำไม้ใบไม้ปะดูลาย ใบไม้ประดูขึ้นมาท่านก็ถามพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายใบไม้ประดูอยู่ในกำมือของเราเนี่กับกับกับใบไม้ประดูที่มันหล่นอยู่ในจักรวาลเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็ตอบว่าใบไม้ในกํำมือของพระ อ, องค์เนี่ยหน่อยเดียวแต่ใบไม้อยู่ในจักรวาลนั้นมากกว่าพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกนี่แหละชั้นใด คำคำสั่งสอนของเราตถาคตแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยที่นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับใบไม้อยู่ในกำมือแต่ความรู้ของเราที่เรารู้แล้วในไม่ได้นํามาสอนเนี่ยเหมือนกับใบไม้อยู่ในจักรวาลพอเอามาพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ที่เอามาพูดนี้เกิดประโยชน์สําหรับ ถอดถอนกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจที่เราเออกมาสอนเป็นไปเพื่อความสุขด้วยกายวาจาใจของมนุษย์ชาติถ้าใครปฏิบัติตามที่เราสอนแล้วมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่อย่างอื่นที่มริรนนำมาสอนนั้นเรารู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์ สรุปแล้วก็คือวิ ช, ชาที่ท่านรู้คงจะมากมายวิ ช, ชาธรรมวุธวิ ช, ชาฆ่ากันวิ ช, ชาลบกันวิ ช, ชาอะไรต่ออะไรเล่เหลี่ยมอะไรท่านคงจะรู้หมดอแต่ว่าสอนเข้ามาแล้วมันมีแต่เรื่องหายนะมีแต่ความวุ่นวายเกิดในโลกท่านจึงสอนแต่วิ ช, ชาที่ว่าจะทํายังไงโลกจิงจะร่มเย็นเป็นสุขท่านจึงมีสอนศีลห้าสำหรับคารวะทำมากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถ สิน 10, สิบสินสองอยยี่สอันนี้ก็คือกายส่วนวาจาควรจะพูดอย่างไรไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาดไม่พูดเพอเจอไม่พูดโกหกเนี่ยบาวาจาใช้วาจาอย่างไงใจควรคิดอย่างไงเรื่องวิธีใจนี่มากมายมหาศาลเยพยหัวใจเป็นต้นต่อใจเป็นหัวหน้าใจเป็น เจ้ากี้เจ้าการเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือใจคือนามทาทำตนนัวนี้จะต้องมีวิธีการสอนมีวิธีการจับมีวิธีการคิดมีวิธีการ อ, อ, อะไรทั้งมากมายเลยเรื่องของใจกายวาาใจเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพูนพวกเราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาไปเรื่อยๆเพราะงั้นเอาวันนี้ ได้พูดตอนนี้ก่อนต่อไปอ่ะรับพรนะนัตตานะอนุโมทนาให้พรสัพโรขาวินิมุตโต